50 languages. 32. Muppatti i า a n d 4. Unavagattil naongu. Khaman phalang thod gapp sauce ma keethe 1 t ன i Yenak ketchup pudan s i r และมายองเนสสองที่มัตตุอีรันด์ไมเนสสุดันและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่มัตตุมูนทรซอสเซจิเกลคารุดซอสสุดันคุณมีผักอะไรบ้างคะมึงก็นี่ต้งเอ็นนะกริกเอาอิริกกระดุคุณมีถั่วไหมคะ உ ்ุ க ள ி ட กกะหล่ำไหมคะคุณมีดอกกล่คะุณมีดอกกะหล่ำไหมคะ உ ุณมีดอกกล่มมีกไหมคะุอคอีอกล่ำดอกกะหล่ำไหมคะดอกกหะดอกกะหล่ำไหมคะคุณมีดอกกะหคมีอก่ำไหมคดอกกหล่มคะคุณดอก่ำดอกกุ่มดิฉันชล่ำไหคมคะค อ, อะกอากาหล่ค อ, อกวะล่ำไหมคะคุณมดอกดอกุม ดิฉันชอบทานมะเขือเทศเยนักกุ๊บตะกอลีซอฟตปีระปิดิกมคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะุงกระุ๊กลาวเคเรย์ซอปีระปิดิกุมอคุณชอบทานกะหล่ำปลีดองด้วยใช่ไหมคะุงกระุ๊กซาวเร์คราวตเตอร์ย์ซอฟต์ปีระปิดิม คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะุณก๊กพัซอฟ ป, ปอีดบปิดีคุมาคุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมคะุณก๊กแครทซอฟปีดปิดีคุมาคุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะุณก๊กบรอกโคลียมซอฟปีดับปิดีคุมา คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะวุนักแคปซิคัมวากิการุสอปิระปิริกุมาดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่ยานักเวงโกยัมปิริกาดิดิฉันไม่ชอบมะกอกยนก อ, อลิฟสปิริกาดิดิฉันไม่ชอบเห็ด எனக்கு மஷ்ரும்ஸ் பிடிக்காது